เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินยัยหมวดที่ส404ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพียงกันให้อมุรหาวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยศิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยลงนิยสกกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัย ลงปับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนลงอุเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนชักภิกษุผู้ควรสติวิไนเข้าหาอาบัติเดิมให้มานั แก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยอัภรรพภิกษุผู้ควรสติวินัยให้ภิกษุผู้ควรสติวินัยอุปสมบทให้คุรบุตรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิด40่ห้า ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยศิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลห่วิยัยอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยอย่างนี้แลสงฆ์ย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดชนียกรรม แกพิกษุผู้ควรอมุรหะวิไนลงนิยสกรรมแกภิกษุผู้ควรอมุรหะวิไนลงปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมุรหาวิัยลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมุรหะวิัยลงอุเขปนียกรรมแกภิกษุผู้ควรอมุรหะวิัยให้ปริวาส แกพิกษุผู้ควรอมุระหะาวิไนชักภิกษุผู้ควรอมุระหาวิไนเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแกภิกษุผู้ควรอมุระหาวินันอภพพานภิกษุผู้ควรอมุระหาวิไนให้พิกษุผู้ควรอมุระหาวิไนให้อุปสมบทกุลบุตรให้สติวิไนแกภิกษุ ผู้ควรอมุระหาวิไนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวิไนยอย่างนี้แหลสงย่อมมีความผิด406ภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดชนียกรรมแกภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยาสิกากรรม ลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงปัปภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้ปริวาท แกภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้สติวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้อมุระหาวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยอย่างนี้แลสง์ย่อมมีความผิด ภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันทำลงแกภิกษุผู้ควรลงตัดชนียกรรมแกภิกษุผู้ควรนิยสกรรมแกภิกษุผู้ควรปรับภาชนียกรรมแกภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผู้ควรปริวาธ แกภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมแก่ภิกษุผู้ควรมานัดแก่ภิกษุผู้ควรอภิธานให้สติวิไนแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทให้อโมรหะวิไนแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงตัชนียกรรม แกพิกษุผู้ควรอุปสมบทลงนิยสกรรมแกพิกษุผู้ควรอุปสมบทลงปัปพาชนิยกรรมแกพิกษุผู้ควรอุปสมบทลงปฏิสารณียกรรมแกพิกษุผู้ควรอุปสมบทลงอุกเขปนิยกรรมแกพิกษุผู้ควรอุปสมบทให้ปริวาท แกภิกษุผู้ควรอุปสมบทชักกุลบุตรผู้ควรอุปสมบทเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแกภิกษุผู้ควรอุปสมบทอัภานให้แกภิกษุผู้ควรอุปสมบทภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แหละสง ย่อมมีความผิดอุปาลิปุจฉาพาณวาลที่สองจบ